เรื่องอาบัตกิริยาที่ล่วงละเมิดพระบัญญัตินั้นและมีโทษเหนือตอนอยู่ชื่อว่าอาบัตแปลว่าความต้องอาบัตนั้นกล่าวโดวยโทษมีสามสถานคืออย่างหนักอย่างผู้ต้องให้ขาดจากความเป็นภิกษุหนึ่งอย่างกลางอย่างผู้ต้องให้อยู่กรรมคือประพฤติวัดอย่างหนึ่ง เพื่อทรมานตนหนึ่งอย่างเบาอย่างผู้ต้องให้ประจานตนต่อหน้าภิกษุ ด, ด้วยการหนึ่งเมื่อได้ทำดังนี้จึงจะพ้นโทษนั้นกล่าวอีกอย่างหนึ่งมีสองสถานอาบัติที่แก้ไขไม่ได้เรียกอเตกิจฉาหนึ่งซึ่งได้แก่อาบัตมีโทษอย่างหนัก อาบัต ท, ที่ยังแก้ไขได้เรียกว่าสเตกิจชาหนึ่งซึ่งได้แก่อาบัตอย่างกลางและอย่างเบาอันหนึ่งอาบัตนั้นว่าโดยชื่อมีเจ็ดอย่างประราชิกหนึ่งมีโทษอย่างหนักสังคาที่เศษหนึ่งมีโทษอย่างกลางทุนละใจหนึ่งปาจิตติยะหนึ่ง ปาติเทสนีย์หนึ่งทุกกฎหนึ่งทุกภาสิทธ์หนึ่งทั้งห้านี้มีโทษอย่างเบาอาบัตนี้ไม่เกิดทางใจอย่างเดียวคือเป็นแต่เพียงนึกว่าจะทําเท่านั้นยังไม่ชื่อว่าเป็นอันล่วงศิกขาบทและชื่อว่ายังไม่เป็นอันพยายามเพื่อจะล่วงศิกขาบทอาบัตนั้นย่อมเกิดทางกายบ้าง ทางวาจาบ้างมีใจเข้าประกอบบ้างได้แก่ทมหรือพูดด้วยมีเจตนาหามีใจเข้าประกอบด้วยไม่บ้างได้แก่ทาหรือพูดด้วยไม่ได้ตั้งใจอาบัตที่เกิดตามลำพังกายนั้นเช่นอาบัตปาจิตติยะเพราะดื่มน้าเมาแม้ไม่มีความตั้งใจเพราะไม่รู้ว่าเป็นน้าเมา ดื่มเข้าไปก็ต้องอาบัตอาบัตเกิดดูลำพังวาจานั้นเช่นอาบัตปาริจิตยะพราะสอนทำแก่อนุปสัมบัน์ให้ว่าพร้อมกันแม้จะระวังอยู่แต่พลาดพลั้งว่าพร้อมกันเข้าก็เป็นอันต้องอาบัตอาบัตเกิดด้วยทางกายกับจิตนั้นเช่นอาบัตปาราชิก เพราะทำจุรกรรมด้วยตนเองอาบัตเกิดทางวาจากับจิตนั้นเช่นอาบัตปาราชิกเพราะสั่งให้เขาทำจุรกรรมด้วยวาจาโดยในย่านี้ได้สมุดฐานคือทางที่เกิดอาบัตโดยตรงเป็นสี่คือลำพังกายหนึ่งลำพังวาจาหนึ่งกายกับจิตหนึ่งวาจากับจิตหนึ่ง แต่ในบาลีท่านถือเอาอีกสองคือกายกับวาจาควบกันเข้าเป็นหนึ่งกายกับวาจานั้นเติมจิตเข้าด้วยเป็นหนึ่งจึงรวมเป็นสมุดฐานหกอธิบายความตามบาลีนั้นกายกับวาจานั้นเป็นสมุดฐานของอาบัตอันเกิดทางกายก็ได้ทางวาจาก็ได้ซึ่งยังหาอุทาหรณ์ได้ไม่เหมาะ จึงไม่ปรารถนาจะแสดงไว้ในที่นี้กายกับวาจาเติมจิตนั้นเป็นสมุดฐานแห่งอาบัติอันเกิดทางกายกับจิตก็ได้ทางวาจากับจิตก็ได้เช่นอาบัตบบ ต, บรรตัวอย่างแห่งอาบัตเกิดทางกายกับจิตพึงเห็นอาบัตปราชิกเพราะเสพเมถุนตัวอย่างแห่งอาบัตเกิดทางวาจากับจิต พึงเห็นในอาบัตทุกกฎเพราะแสดงธรรมแก่คนมีอาการไม่เคารพแต่ไม่ใช่คนเจ็บไข้ที่จำเป็นจะต้องทำดังนั้นในอัธกถาแสดงสมุดฐานแห่งอาบัตมากออกไปเป็น13บาด้วยนับแยกอาบัตซึ่งเกิดแก่สมุดฐานเดียวบ้างหลายสมุดฐานบ้างข้าพเจ้าเห็นฟั่นเฝือเกินความต้องการจะรู้ จึงงดเสียไม่กล่าวไว้ในที่นี้ผู้ต้องการจะรู้ละเอียดจงดูในบุพพสิกขาวนนานาของท่านพระอมราพิรากิจนั้นเถิดเพ่งเอาเจตนาเป็นที่ตั้งอาบัตจัดเป็นสองพวกคือที่เกิดขึ้นโดยสมุดฐานมีเจตนาด้วยเรียกสจิตตกะ เกิดขึ้นโดยสมุดฐานแม้ไม่มีเจตนาเรียกอจิตตะกะนี้เป็นกระทู้สาคัญที่ควรใส่ใจสําหรับรู้จักอาบัตเลืกแต่ลําพังอาบัตน่าจะเห็นไปว่าล่วงโดยไม่มีเจตนาปรับให้เป็นอาบัตอยู่ข้างแรงไปถ้านึกถึงกฎหมายสําหรับบ้านเมืองเข้าเทียบก็จะเห็นว่าการลงโทษแก่ผู้ทําผิด ด้วยไม่มีเจตนาย่อมมีเหมือนกันเพราะทําลงไปแล้วย่อมเป็นการเสียเหมือนกันทางกําหนดรู้อาบัตเป็นสจิตกะหรืออาจิตกะนั้นคือรูปความและโวหาในสิกขาบทนั่นเองเช่นสำนวนแห่งโอมาสวาทสิกขาบทว่าเป็นปาจิตยะเพราะกล่าวเสียแทงดังนี้รูปความบ่งว่า มีความจงใจจึงเป็นอันกล่าวเสียแทงเช่นนี้เป็นสจิตตกะสำนวนแห่งสุราปานาสิกาบทว่าเป็นปาจิตติยะเพราะดื่มน้ำเมาคือสุราเมรยัยดังนี้รูปความหาได้บ่วงถึงเจตนาไม่เช่นนี้เป็นอจิตตกะคำว่ากแกล้งหรือรู้อยู่เป็นต้นมีในสิกาบทใด อาบัติเพราะล่วงสิขาบทนั้นเป็นสจิตกะเช่นสำนวนแห่งสิขาบทหนึ่งว่าภิกษุใดแกล้งก่อความรำคาญแก่ภิกษุอื่นด้วยคิดว่าโดยอุบายนี้ความไม่ผาสุจากจะมีแก่เธอแม้ครู่หนึ่งต้องปาจิตติยะแห่งอีกสิขาบทหนึ่งว่าภิกษุใดรู้อยู่ชักชวนและเดินทางกับพวกพ่อค้าเกวียนหรือตัง ผู้ลักลอบภาษีโดยที่สุดแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่งต้องปาจิตตีดังนี้เป็นสจิตตกะในสิกขาบทใดคำเช่นนั้นไม่มีแล้วรูปความไม่ได้บ่งชัดอาบัตเพราะล่วงสิกขาบทนั้นเป็นอจิตตกะเช่นสำนวนแห่งสิกขาบทต่อข้อหลังนั้นว่าภิกษุใดชักชวนแล้ว เดินทางกลับมาตุคามคือหญิงชาวบ้านโดยที่สุดแม้เส้นระยะบ้านหนึ่งต้องปาจิตติยะดังนี้เป็นอจิตตกะสันนิฐานตามโมหารเช่นนี้ถ้าถ้อยคำแห่งสิกขาบทตกหล่นมาแต่เดิมก็ดีจำทรงพลาดไปในระหว่างก็ดีความสันนิฐานนั้นอาจผิดไปก็ได้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 เช่นเห็นของที่เขาลืมไว้ในที่อยู่ของตนแล้วไม่เก็บไว้ให้เจ้าของเขาพระอัตฐกถาาจารย์ถือเอาอธิบายนี้กล่าวพันน า, นาไว้โดยละเอียดแต่เกินต้องการในที่นี้ผู้ใครจะรู้จงคนดูในบุพพาสิกขาววันานานั้นเถิดอนหนึ่งอาบัตินั้นเป็นโทษทางโลก คือคนสามัญที่ไม่ใช่ภิกษุทำเข้าก็เป็นความผิดความเสียเหมือนกันก็มีเช่นทำโจรกรรมและฆ่ามนุษย์ตลอดลงมาถึงโทษที่เบาเช่นทุบตีกันด่ากันน้เรียกโลกะวัชชะที่เป็นโทษทางพระบัญญัติคือคนสามัญทำเข้าไม่เป็นความผิดเสียหายเป็นผิดเฉพาะแก่ภิกษุ โดยฐานละเมิดพระบัญญัติก็มีเช่นขุดดินและฉันอาหารในเวลาวิการเป็นต้นคนชาวบ้านทำรรไม่มีความผิดความเสียนี้เรียกปัญนนติวัชชะอธิบายนี้ตามความเข้าใจของข้าพเจ้าส่วนในอัตถกถาพระวินัยท่านพรนนาว่าอาบัติที่เป็นโลกาวัชชะนั้นได้แก่อาบัต ที่ต้องมีเวลาที่จิตเป็นอกุศลท่านยกการดื่มสุราดยรู้ว่าเป็นสุราเป็นตัวอย่างอาบัติที่เป็นปันนติวัชานั้นได้แก่อาบัติที่ต้องในเวลาจิตเป็นกุศลท่านมิได้ยกตัวอย่างไว้แต่พึงเห็นเช่นเก็บดอกไม้เพื่อาะบูชาพระใกลครวนดีความก็ลงรอยกัน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 อาบัตที่เป็นโลกาวัชานั้นล่วงเข้าแล้วยังความเสียหายให้เกิดมากแม้ทำคืนแล้วความเสียนั้นก็ยังเป็นเหมือนแผลเป็นติดอยู่ไม่หายได้ง่ายควรประหยัดให้มากอย่าล่วงง่ายๆป่ายอาบัตที่เป็นปัณนนติวัชานั้นเราได้ที่พวกภิกษุยังถือเป็นกวดขัน ล่วงอาบัตเหล่านั้นเข้าแล้วมีความเสียได้เหมือนกันเหล่าใดไม่ได้ถือเป็นจริงจังเพราะกาลสมัยและประเทศนำให้เป็นอาบัตเหล่านั้นแม่ล่วงเข้าแล้วก็ไม่สู้เป็นอะไรนักไม่ควรจะถือเอาอาบัตเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำหรับอวดเกร่งดังเคยได้ยินมาพวกทายกเขานิมนภิสุรูปหนึ่งไปเทศนาบนธรร ม, มาท ปูเบาะยัดนุ่นไว้ภิกษุนั้นไม่นั่งสั่งให้เลิกเสียตามความเห็นของข้าพเจ้าทำอย่างนั้นไม่เป็นความเรียบร้อยกว่าจะยอมนั่งชั่วคราวย่างจะถือก็ควรถือแต่เฉพาะในวัดเพื่อจะรักษาความเรียบร้อยไม่เอะอะได้เคยทรงพระอนุญาตให้ทําได้ก็มีในฝ่ายที่ไม่เกร่ง เห็นว่าอาบัตมากหลบไม่ไหวแล้วทอธุระเสียไม่รู้จักเลือกเว้นดังนี้ก็สะเพร่าเกินไปคนรู้จักประพฤติแต่พอดีจึงจะสมแก่ศาสนธรรมที่ว่าเป็นปฏิบัติพอกลางๆไม่ตกไปฝ่ายกามสุขขันกานุโยคส่วนข้างหย่อนและในฝ่ายอัตตากิลมทฐานุโยคส่วนข้างตึงเครียด